สังขารสูตรว่าด้วยผู้เป็นสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสี่จำพวกไหนบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสังขารปรินิพพายีในปัจจุบัน 2. บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้วสามบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันสี่บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นอสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้วบุคคลเป็นสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้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 ปัญญาภะและอินทรีย์าประการนี้ของเธอคือสัตทินสีวิริยินรียสติินรียสมาทินรีปัญยินรียย่อมปรากฏแก่กล้าเพราะอินทรีห้าประการนี้ปรากฏแก่กล้าเธอจึงเป็น ส, สังขารปรินิพพีในปัจจุบันบุคคลเป็น ส, สังขารปรินิพพีในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แล บุคคลเป็นสสังขาระปรินิพพายีหลังจากตายแล้วเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นความไม่งามในกายมีสัญญาว่าปฏิกูลในอาหารมีสัญญาว่าไม่น่าเพลิเพลอในโลกทั้งปวงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสงสารทั้งปวงอยู่และเธอมีมรณสัญญาที่ตั้งมั่นดีภายในเธอเข้าไปอาศัยเศษขัพละห้าประการนี้อยู่ คืศรัทธาภละหิริภละโอต ป, ปะภละวิริยะภละปัญญาภละแต่อินทร์สี่ห้าประการนี้ของเธอคือสัททินรียวิริยินรีสัตตินรียสมาทินรียปัญยินรียย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทร์สี่ห้าประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงเป็นสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้ว บุคคลเป็น ส, สังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้วเป็นอย่างนี้แลบุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันเป็นอย่างไรเคอภิกษุในธรรมวินัยนี้สังัดจจากกามและอคตินธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่เพราะวิตกวิจาร์สงบระงงบไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไป ภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัติและโทมนัตดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุเจตุทะฌานอยู่เธอเข้าไปอาศัยเสกขาภละหประการนี้อยู่คือสัทธาภละหิริภะละโธต ป, ปะภะละวิ ร, ยริยะภละปัญญาภละย่อมปรากฏแก่กล้า เพราะอินทรีย์หประการนี้ปรากฏแก่กล้าเธอจึงเป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันบุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีในปัจจุบันเป็นอย่างนี้แหลบุคคลเป็นอสังขารปรินิพพายีหลังจากตายแล้วเป็นอย่างไรเคอพิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่ เพราะวิตกวิจารณ์สงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจจตุทฌานอยู่เธอเข้าไปอาศัยเสกขปาละหประการ น, นี้อยู่คือศรัทธาภละ ทิริพละโอต ป, ปะพะละวิริยะพละปัญญาภละแต่อินทร์ห้าประการนี้ของเธอคือสัตทินรียวิริยินรียสัตทินรียสมาทินสีปัญยินรียย่อมปรากฏอ่อนเพราะอินทร์ห้าประการนี้ปรากฏอ่อนเธอจึงเป็นอสังขาระปรินิพพายีหลังจากตายแล้ว บุคคลเป็นอสังขาระปรินิพพายีหลังจากตายแล้วเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจำพวกนี้แลมีปรากฏอยู่ในโลกสังขารสูตรที่เก้าจบ ยุคะนัทธสูตรว่าด้วยการเจริญสมถะและวิปัสนาควบคู่กันไปสมัยหนึ่งท่านพระอานนท์อยู่นครสิตารามเขตครุมโกสัมพีณนะที่นั้นแลท่านพระอานนท์เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระอานนท์จึงเล่ากล่าวเรื่องนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเปิดเผยการบรรลุอรหัตผลในสำนักของเราด้วยมรรคสี่ประการโดยประการทั้งปวงหรือมรรคใดมรรคหนึ่งบรรดามรรคสี่ประการนี้ผู้ใดก็ตามจะเป็นภิกษุหรือภิกษุณีเปิดเผยการบรรลุอรหัตผลในสำนักของเราด้วยมรรคสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ จเจริญวิปัสนาอันมีสมถะนำหน้าเมื่อเธอเจริญวิปัสนาอันมีสมถะนำหน้ามักย่อมเกิดเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมกักเมื่อเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นอยู่ย่อมละสังโยต์ได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป 2. ภิกษุจเจริญสมถะอันมีวิปัสนานำหน้าเมื่อเธอจเจริญสมถะอันมีวิปัสนานำหน้า มักย่อมเกิดเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นเมื่อเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป 3. ภิกษุเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปเมื่อเธอเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปมักย่อมเกิดเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้น เมื่อเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมักนั้นย่อมละสังโยชน์ได้อนุสัยทั้งหลายย่อมสิ้นสุดไป 4. ภิกษุมีใจถูกอุทจจะในธรรมกั้นไว้ในเวลาที่จิตตั้งมั่นสงบภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่มักก็เกิดขึ้นแก่เธอเธอเสพเจริญทำให้มากซึ่งมากนั้นเมื่อเธอเสพเจริญทาให้มากซึ่งมักนั้น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 รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สังคิตสูตร 2. วิถารสูตร 3. าอสุภสูตร 4. ปฐมมัคคะสูตร 5. ทุติยะมคมะสูตร 6. อุพยสูตร 7. มหาโมคคลานสูตร 8. สารีปุตตะสูตร 9. สสังขารสูตร 10. ยุคานัทสูตร สัญญเจตนิยวัหมวดว่าด้วยความจงใจหนึ่งเจตนาสูตรว่าด้วยเจตนาพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อกายมีอยู่สุขทุกภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะกายสัญญเจตนาเป็นเหตุเมื่อวาจามีอยู่สุขทุกภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะวาจีสัญญเจตนาเป็นเหตุหรือเมื่อใจมีอยู่ สุขทุกข์ภายในย่อมเกิดขึ้นเพราะมโนสัญเจตนาเป็นเหตุคือเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยบุคคลปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างบุคคลอื่นปรุงแต่งกายสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกข์ภายในเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลนั้นบ้างบุคคลรู้สึกตัว ปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลไม่รู <Wow. S 3> ้ส uh ึกตัวปรุงแต่งกายสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลปรุงแต่งวัจีสังขารอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นด้วยตนเองบ้างบุคคลอื่นปรุงแต่งวัจีสังขารของบุคคลนั้นอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นบ้าง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 บุคคลรู้สึกตัวปรุงแต่งมนุสังขารอันเป็นปัใจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นบ้างบุคคลไม่รู้สึกตัวปรุงแต่งมนุสังขารอันเป็นปัใจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นบ้างเอาวิชาย่อมตกไปตามธรรมเหล่านี้แต่เพราะอาวิชาดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะกายอันเป็นปัใจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นจึงไม่มี ว่าจะอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นจึงไม่มีใจอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นจึงไม่มีเขตละถึงวัตถุอายตนะอาิกรณะอันเป็นปัจจัยให้สุขทุกภายในเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นจึงไม่มีภิกษุทั้งหลายความได้อัตภาพสีประการนี้ความได้อัตภาพสีประการอะไรบ้างคือ หความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนดําเนินไปมิใช่สัญเจตนาของผู้อื่นดําเนินไป 2. ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของผู้อื่นดําเนินไปมิใช่สัญเจตนาของตนดําเนินไป 3. ความได้อัตภาพที่สัญเจตนาของตนและสัญเจตนาของผู้อื่นดําเนินไป 4. ความได้อัตภาพที่มิใช่สัญเจตนาของตน และมิใช่สัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปภิกษุทั้งหลายความได้อัตภาพสี่ประการนี้แหลเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบชัดเนื้อความแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้โดยย่อ น, นี้ได้โดยพิดารอย่างนี้ว่าบรรดาความได้อัตภาพสี่ประการนั้น ความได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของตนดําเนินไปมิใช่สัญญเจตนาของผู้อื่นดําเนินไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นมีได้เพราะสัญญเจตนาของตนเป็นเหตุความได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของผู้อื่นดําเนินไปมิใช่สัญญเจตนาของตนดําเนินไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นมีได้เพราะสัญญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุ ความได้อัตภาพที่สัญญเจตนาของตนและสัญญเออจตนาของผู้อื่นดำเนินไปนี้คือการจุติจากกายนั้นของสัตว์เหล่านั้นมีได้เพราะสัญญเจตนาของตนและสัญญเจตนาของผู้อื่นเป็นเหตุความได้อัตภาพที่ไม่ใช่สัญญเจตนาของตนและไม่ใช่สัญญเจตนาของผู้อื่นดำเนินไปนี้พึงเห็นเทวดาพวกไหนที่ดาเนินไปด้วยอัตภาพนั้นพระพุทธเจ้าค่า พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรพึงเห็นเทวดาทั้งหลายผู้เข้าถึงชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะด้วยอัตภาพนั้นท่านพระสารีบุตรทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรน้อแลเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์บางพวกในโลกนี้จุติจากกายนั้นแล้วเป็นอนาคามีผู้มีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ยังละโอรัมภากิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่าไม่ได้แต่บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ในปัจจุบัน เขาชอบใจในวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นติดใจในวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นและถึงความปลื้มใจกับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นน้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นชอบอยู่กับเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภ พ, พเขาจุติจากชั้นนั้นแล้วเป็นอาคามีกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้บุคคลบางคนในโลกนี้ละโอรัมภคิยสังโยชน์ได้บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานอยู่ในปัจจุบันเขาชอบใจพอใจเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานนั้น และถึงความปลื้มใจกับเนวสัญญานาสัญญายตนะชานนั้นเขาดำรงอยู่ในเนวสัญญานาสัญญายตนะชานนั้นน้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะชานนั้นชอบอยู่กับเนวสัญญานาสัญญายตนะชานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกเทวดาชั้นเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเขาจุติจากชั้นนั้นแล้ว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 ภัฒติสูตรว่าด้วยการจำแนกปฏิสัมพิทาณที่นั้นแหละท่านพระสารีบุตรเรื่องพิษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคําแล้วท่านพระสารีบุตรได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านทั้งหลายเราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทําให้แจ้งซึ่งอัฏฐปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัฏฐ โดยเหตุโดยพยัญชนะเราจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งอัตถปฏิสัมพิธานั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยพระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลายประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้ว เราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมโดยเหตุโดยพยัญชนะเราจะบอกแสดงบัญญัติกำหนดเปิดเผยจำแนกทำให้ง่ายซึ่งธรรมปฏิสัมพิทานนั้นโดยวิธีต่างๆผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัย พระศาสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลายประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้วเราอุปสมบทเรียกตึงเดือนได้ทําให้แจ้งนิรุติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุกติโดยเหตุโดยพยัญชนะเราจะบอกแสดงบัญญัติกําหนดเปิดเผยจําแนกทําให้ง่ายซึ่งนิรุติปฏิสัมพิทานั้นโดยวิธีต่างๆ ผู้มีความสงสัยหรือเคลือบแคลงพึงถามเราพอใจที่จะตอบข้อสงสัยพระศ า, าสดาของเราทั้งหลายผู้ทรงฉลาดดีในธรรมทั้งหลายประทับอยู่ต่อหน้าเราทั้งหลายแล้วเราอุปสมบทได้กึ่งเดือนได้ทำให้แจ้งปฏิพาณปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพานโดยเหตุโดยพยัญชนะเราจะบอกแสดงบัญญัติกาหนดเปิดเผยจำแนก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 อะไรอื่นยังมีอยู่หรือท่านพระสารีบุตรตอบว่าผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านพระมหากดิตะถามว่าผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ อะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นผู้มีอายุเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านพระมหาโกติตากล่าวว่าเมื่อผมถามว่าผู้มีอายุ เพราะภาษายาตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือท่านตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเมื่อผมถามว่าเพราะภาษายัตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเมื่อผมถามว่าเพราะภาษายัตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ อะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเมื่อผมถามว่าเพราะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือท่านก็ตอบว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นก็คำที่ท่านกล่าวแล้วนี้จะทราบความหมายได้อย่างไรท่านพระสารีบุตรกล่าวตอบว่าผู้มีอายุ เมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะภาษายตนาหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นยังมีอยู่หรือชื่อว่าค ouais ิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะภาษายตนาหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่า เพราะภษายตนหประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะภาษายตนหประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งผู้มีอายุ ปปัญจรรมสิ่งที่คิดปรุงแต่งย่อมดำเนินไปตราบเท่าที่ภาษาญาตนะหกดำเนินไปภาษาญาตนะหกก็ดำเนินไปตราบเท่าที่ปปัญจธรรมดำเนินไปผู้มีอายุเพราะภาษาญาตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคาประปปัญจรรมจึงดับสนิทระ ง, งับไปมหาโกติตะสูตรที่สจบ สี่นันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์ครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปหาท่านพระมหาโกรติตะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระมหาโกรติตะดังนี้ว่าผู้มีอายุเพราะภาษาญาตนะหประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ อะไรอื่นยังมีอยู่หรือท่านพระมหาโกธิตะตอบว่าผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นท่านพระอานนณนลถามว่าเพระาะภาษายาณะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นไม่มีอยู่หรือผู้มีอายุอย่ากล่าวอย่างนั้นผู้มีอายุเพระาะภาษายตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นทั้งมีอยู่และไม่มีอยู่หรือ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 เพราะภาษายาตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่หรือท่านก็ตอบว่าอย่า ก, กล่าวอย่างนั้นผู้มีอายุก็คาที่ท่านกล่าวแล้วนี้จะทราบความหมายได้อย่างไรท่านพระมหาโกติตะกล่าวว่าผู้มีอายุเมื่อบุคคลกล่าวว่าเพราะภาษายาตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะ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 ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งเมื่อบุคคลกล่าวว่าเมื่อภาษาญาตณะหประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคะอะไรอื่นมีอยู่ก็มิใช่ไม่มีอยู่ก็มิใช่ชื่อว่าคิดปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ควรคิดปรุงแต่งท่านผู้มีอายุปปัญจะทำย่อมดำเนินไปตราบเท่าที่ภาษาญาตนะหประการดาเนินไป ภาษาญาตนะหกประการก็ดำเนินไปตราบเท่าที่ปปัญจะธรรมดำเนินไปผู้มีอายุเพราะภาษาญาตนะหกประการดับไปไม่เหลือด้วยวิราคาประปปัญจะธรรมจึงดับสนิทรังงะไปอ น, นันทสูที่สจบ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 ผู้มีอายุไม่ใช่อย่างนี้ท่านพระอุปวานะกล่าวว่าท่านสารีบุตรบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยจารณะหรือผู้มีอายุไม่ใช่อย่างนี้ท่านสารีบุตรบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาและจารณะหรือผู้มีอายุไม่ใช่อย่างนี้ท่านสารีบุตรบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยเหตุนอกจากวิชาและจารณะหรือ ผู้มีอายุไม่ใช่อย่างนี้ท่านพระอุปวานะกล่าวว่าเมื่อผมถามว่าท่านสารีบุตรบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาหรือท่านตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้เมื่อผมถามว่าบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยจรณะหรือท่านก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้เมื่อผมถามว่าบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาและจรณะหรือ ท่านก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้เมื่อผมถามว่าบุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยเหตุนอกจากวิชาและจรณะหรือท่านก็ตอบว่าไม่ใช่อย่างนี้ผู้มีอายุก็บุคคลทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อย่างไรท่านพระสารีบุ ต, ตอบว่าถ้าบุคคลจากทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาแล้วก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นทาที่สุดแห่งทุกข์ ถ้าบุคคลจากทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยจรณะแล้วก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าบุคคลจากทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ด้วยวิชาและจรณะแล้วก็จะมีความยึดมั่นถือมั่นทำที่สุดแห่งทุกข์ถ้าบุคคลจากทำที่สุดแห่งทุกข์ด้วยเหตุนอกจากวิชาและจรณะแล้วปุตุชนก็จากทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เพราะปุตุชนไม่มีวิชาและจรณะผู้มีอายุ บุคคลผู้มีจรณะวิบัติย่อมไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงบุคคลผู้ประกอบด้วยจรณะย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงย่อมทำที่สุดแห่งทุกข์ได้อุปวานสูตรที่หจบ จ ะ, ะสูตรว่าด้วยความปรารถนาโดยชอบภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับพระสารีบุตรและพระโมฆลานะเถิดสารีบุตรและโมฆลานานี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของภิกษุสาวกของเราภิกษุณีผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบ พึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอุบลวันณาเถิดภิกษุณีเขมาและภิกษุณีอุบลวันนานี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานแห่งภิกษุณีสาวิกาของเราอุบาสกผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับจิตตคบดีและหัตถกะอุบาสก ชาวเมืองอาลวีเถิดจิตตะกะหะบดีและหัตตกะอุบาสกชาวเมืองอาลวีนี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานแห่งอุบาสกสาวกของเราอุบาสิกาผู้มีศรัทธาเมื่อปรารถนาโดยชอบพึงปรารถนาอย่างนี้ว่าขอให้เราเป็นเช่นกับอุบาสิกาขุ ช, ชุตราและอุบาสิกาเวลุกันตจีนันทมาตาเถิด อุบาสิกาคดชุตราและอุบาสิกาเวลุกันตะกีนันทมาตานี้เป็นบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของอุบาสิกาสาวิกาของเราอาญาจนะสูตรที่หกจบเจบ็ด ราหุลสูตรว่าด้วยพระราหุนครั้งนั้นแหละท่านพระราหุน้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าราหุนปัทวีธาตธาตดินทั้งภายในและภายนอกเป็นแต่สักว่าปัทวีธาเท่านั้น พึงเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเพราะเห็นธรรมชาตินั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วจิตย่อมเบื่อน่ายคลายกำหนัดในปัทวีธาตุอโปธาธาตุน้ำทั้งภายในและภายนอกก็เป็นแต่สักว่าอาโปธาเท่านั้น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 ตัดตันหาได้แล้วถอนสังโย์ได้แล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะได้โดยชอบราหุละสูตรที่เจ็ดจบ 8. ชัมพาลีสูตรว่าด้วย บุคคลผู้เปรียบด้วยบ่อ น, น้ำใหญ่ภิกษุทั้งหลายบุคคลสีจ่จำพวกนี้มีปรากฏอยู่ในโลกบุคคลสีจ่จำพวกไหนบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้บรรลุเจโตวิมุตตอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนัิการถึงสักกายนิโรธเมื่อเธอมนัิการถึงสักกายนิโรธจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่น ไม่น้อมไปในสักกายนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นไม่พึงได้รับสักกายนิโรธภิกษุทั้งหลายบุรุษใช้มือที่เปื่อยยางเหนียวจับกิ่งไม้มือของเธอพึงเกี่ยวจับติด ก, กับกิ่งไม้นั้นชันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสการถึงสักกายนิโรธ เมื่อเธอมาณสิการถึงสักกายนิโรธจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลืเ่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในสักกายนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นแหลไม่พึงได้รับสักกายนิโรธสอภิกษุในธรรมวิไนนี้บรรลุเจโตวิมุตต์อันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมาณสิการถึงสักกายนิโรธเมื่อเธอมาณสิการถึงสักกายนิโรธ จิตย่อมแล่นไปเรื่อมใสตั้งมั่นน้อมไปในสักกายนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงได้รับสักกายนิโรธภิกษุทั้งหลายบุรุษใช้มือที่สะอาดจับกิ่งไม้มือของเธอไม่พึงเกี่ยวจับติดกิ่งไม้นั้นฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตวิมุตต์อันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ เธอมนณสการถึงสักกายนิโรธเมื่อเธอมนณสการถึงสักกายนิโรธจิตย่อมแล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นน้อมไปในสักกายนิโรธเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นแหละพึงได้รับสักกายนิโรธสามภิกษุในธรรมวิในนี้บรรลุเจโตวิมุตตอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนณสุการถึงการทาลายอาวิชชา เมื่อเธอมนัสการถึงการทำลายอาวิชชาจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อ ม, มใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในการทำลายอาวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นไม่พึงได้รับการทำลายอาวิชชาภิกษุทั้งหลายบอ่อน้ำใหญ่มีอายุหลายปีบุรุษปิดทางไหลเข้าของบอ่อน้านั้นเสียและเปิดทางไหลออกไว้ทางฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาล เมื่อเป็นเช่นนั้นบอ่อน้ําใหญ่นั้นก็ไม่พึงมีน้ําล้นขอบออกไปได้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมานัสการถึงการทําลายอวิชชาเมื่อเธอมา纳斯การถึงการทําลายอวิชชาจิตย่อมไม่แล่นไปไม่เลื่อมใสไม่ตั้งมั่นไม่น้อมไปในการทําลายอวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้น ภิกษุนั้นแหละไม่พึงได้รับการทำลายอาวิชชา 4. ภิกษุในธรรมวิในนี้บรรลุเจโตวิมุตตอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนักสการถึงการทำลายอาวิชชาเมื่อเธอมนักสการถึงการทำลายอาวิชชาจิตย่อมเล่นไปเรื่มใสตั้งมั่นน้อมไปในการทำลายอาวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นพึงได้รับการทำลายอาวิชชา ภิกษุทั้งหลายบอ่อน้ำใหญ่มีอายุหลายปีบุรุษเปิดทางไหลเข้าของบอ่อน้ำนั้นและปิดทางไหลออกไว้ทั้งฝนก็ตกเพิ่มตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนั้นบอ่อน้ำใหญ่นั้นพึงมีน้ำล้นขอบออกไปได้ชั้นใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันบรรลุเจโตวิมุตติอันสงบอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เธอมนสิการถึงการทาลายอวิชชา เมื่อเธอมนัสุการถึงการทำลายอาวิชชาจิตย่อมเล่นไปเลื่อมใสตั้งมั่นน้อมไปในการทำลายอาวิชชาเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นแหละพึงได้รับการทำลายอาวิชชาภิกษุทั้งหลายบุคคลสีชจำพูกนี้แหละมีปรากฏอยู่ในโลกชามพาลิสูที่8จบ